ความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นเราพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปัฏฏะธรรมลมเราพอใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสปัฏฏะธรรมลมแล้วเราก็มีความเพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เพราะว่าตัวรูปเสียงกลิ่นรสหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้น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 ก็ตรัสอย่างเดียวกันเป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสโพดทัพะเป็นที่รื่นรมใจยินดีแล้วในรูปเสียงกลิ่น